วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เดินทางมาวัด เพื่อมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขให้แก่จิตใจด้วยการสร้างทรัพย์ต่างๆในโลกนี้ธรรมะที่จะมาสะแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องทรัพสมบัติสองชนิดในโลกนี้มีทรัพสมบัติอยู่สองชนิดด้วยกัน ที่พวกเราสามารถที่จะหากันได้ทรัพย์สองชนิดคืออะไรก็คือทรัพย์ของกายกับทรัพย์ของใจทรัพย์ของกายก็มีไว้ดูแลร่างกายทรัพย์ของใจก็มีไว้ดูแลจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีทรัพย์ทางกายก็จะ ก็จะมีความสุขทางกายมีทรัพย์ทางใจก็จะมีความสุขทางใจถ้าเราไม่ได้มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะรู้เพียงแต่ทรัพย์สมบัติทางกายเราอาจจะไม่รู้จักทรัพย์สมบัติทางใจก็ได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติทางใจนี่ เป็นของละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาหรือจับต้องได้ด้วยร่างกายไม่เหมือนกับทรัพย์ทางกายที่เราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้ด้วยร่างกายคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาทำคาสรรั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมุ่งไปสู่การหาทรัพย์ทางกายหาเงินหาทอง เพื่อที่จะได้ใช้เงินทองนี้มาซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ซื้อสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและซื้อของที่ให้ความสุขเช่นซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะชนิดต่างๆ อันนี้เป็นเรื่องของทรัพย์ทางกายทรัพย์ทางกายนี้เป็นทรัพย์ชั่วคราวเป็นทรัพย์ที่อยู่กับร่างกายแต่พอร่างกายตายไปแล้วทรัพย์ทางกายก็หมดสภาพไปคนตายนี้ไม่สามารถเอาทรัพย์ทางกายไปได้มีทรัพย์สมบัติกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็ตามก็ต้องทิ้งไว้ให้กับผู้อื่น กำหนดตัวเองงั้นไม่สามารถเอาทรัพย์ทางกายไปได้แต่สิ่งที่จะสามารถเอาไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็คือทรัพย์ทางใจทรัพย์ทางใจนี้เป็นทรัพย์ที่มีความสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์ทางกายเพราะเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนกว่าสามารถเอาไปใช้ต่อไปได้ในอนาคตหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจทำความรู้จักก็คือเรื่องทรัพย์ทางใจทรัพย์ที่เราจะต้องอาศัยหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วขณะที่เรามีร่างกายเราก็อาศัยทรัพย์ทางกายมาให้ความสุขกับเราได้แต่พอร่างกายตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์ ทางกายไปกับเราได้เราต้องอาศัยทรัพย์ทางใจทรัพย์ทางใจนี้เป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนกว่าและให้ความสุขได้มากกว่าได้นานกว่าความสุขจากการมีทรัพย์ทางกายดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำความรู้จักก็คือ ทรัพย์ทางใจนี้มีมีชนิดไหนายมากมีกี่ชนิดด้วยกันตามหลักพระธรรมคำสอนทรัพย์ทางใจนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันต่างกันตรงที่ระดับของความสุขที่แต่ระดับจะให้กันระดับความสุขของทรัพย์ทางใจนี้ก็เริ่มตกเริ่มจากขั้นต่ําทรัพย์ทางใจขั้นต่ํา ก็คือทรัพย์ของของเทวดาหรือเทวทรัพย์แล้วสูงกว่านั้นก็เป็นทรัพย์ของพรหมเรียกว่าพรหมรทรัพย์แล้วสูงกว่าทรัพย์ของพรหมก็คืออริยทรัพย์และนิพพานรทรัพย์ตามลําดับนี่คือทรัพย์ชนิดต่างๆที่เป็นทรัพย์ของใจที่ใจสามารถที่จะสะสมสร้างขึ้นมาได้ แต่ต้องรู้จักวิธีสร้างทรัพย์เหล่านี้ว่าสร้างอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าถ้าเราตายไปแล้วเราอยากจะไปสวรรค์ไปอยู่ไปอยู่กับเทพไปมีไปมีเทวทรัพย์เราต้องมีเทวทรัพย์พาเราไปการที่จะทำให้เรามีเทวทรัพย์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรการจะมีเทวทรัพย์ท่านก็สอนว่า เราต้องทำบุญทำทานแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทองส่วนที่เหลือกินเหลือใช้ส่วนที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีไม่ต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรลายไปก็เอาไปไม่ได้เอาทรัพย์ทางกายนี้มาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ทางใจได้ด้วยการทาบุญทาทานในรูปแบบต่างๆจะทำบุญกับวัดก็ได้ ทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกับบุญที่ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้ทำให้กับบุคคลต่างๆก็ได้หรือทำให้กับสรรัตว์ในราชานก็ได้การกระทาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานทำแล้วก็จะได้บุญก็คือได้เทวาทรัพย์นั่นเองแต่การที่เราจะไป รับผลของเทวทัศน์ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำบาปไว้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราทำบุญด้วยแล้วเราทำบาปด้วยถ้าบาปที่เราทำนี้มีมีมากกว่าบุญเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปรับผลของของบุญของทานที่เราทำก็ได้เพราะเราอาจจะต้องไปใช้หนี้ก่อน ถ้าเราทำบาปนี้เราก็จะมีมีนี่ติดตัวไปด้วยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจว่าเราเมื่อเราได้ทำบุญทาทานแล้วเวลาที่เราได้ตายไปเราจะได้ไปรับผลของทานที่เราทำไว้เราก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ดีคืออย่าทำบาปห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองไม่ลักทรัพย์ สามไม่ไม่ประพฤติผิดในกามสี่ไม่พูดปดและห้าไม่ดื่มสุรายามเมาต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามหักห้ามจิตใจพยายามรักษาศีลให้ได้เพราะถ้าเราไม่รักษาศีลบุญที่เราทําไว้อาจจะมีกําลังน้อยกว่าบาปที่เราได้ทําก็ได้ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญ เวลาที่เราตายไปบาปจะดึงดวงวิญญาณของเราดึงดึงดวงจิต ด, ดวงใจของเรานี้ให้ไปรับผลบาปก่อนไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านถ้าทำบาปด้วยความหลงไปเกิดเป็นเปรถ้ถาทำบาปด้วยความโลภไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัว ไปตกนรกถ้าทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเคียดแค้นนี่คือสี่สถานที่ที่อาจจะต้องไปรับผลถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญดังนั้นเพื่อความมั่นใจว่าบุญที่เราทำนี้จะส่งผลให้กับเราตั้งตั้งแต่ตอนที่ร่างกายเราตายไปบุญก็จะดึงให้เราไปสวรรค์ได้นั้น เราจะเป็นจะต้องมีการทำบุญทำทานควบคู่กับการไปรักษาศีลห้าด้วยถ้าเรารักษาศีลห้าได้หรือทำบาปได้น้อยกว่าบุญที่เราทำไว้บุญก็จะมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆที่เรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่หกชั้นด้วยกันที่แบ่งว่าเป็น6ชั้นก็เพราะลาดับความสุขมีมากน้อยต่างกัน ทำทำบุญน้อยก็ได้ความสุขน้อยทำบุญมากก็ได้ความสุขมากสวรรค์จึงมีแบ่งไว้เป็นหกชั้นด้วยกันความสุขก็มากขึ้นตามลาดับในการที่เราทำบุญไปเสียสละไปอันนี้คือทรัพย์อันแรกที่เราสามารถที่จะสะสมขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้อยู่ในใจของเรา ในขณะที่เรายังไม่ตายผลของบุญนี้ยังจะไม่ไม่แสดงผลอย่างเต็มที่ผลของบุญในระยะแรกๆในขณะที่เราทำก็คือจะทำให้เราเกิดมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจแต่ผลของบุญส่วนใหญ่นี้ยังจะสะสมอยู่ในใจของเรารอเวลาที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่ก็คือตอนที่ ตอนที่ร่างกายของเราตายไปแล้วพอร่างกายตายไปแล้วใจก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องให้ความสุขอาศัยทรัพย์ภายในในระดับเทวท ร, รัพย์ที่เกิดจากการทําบุญทําทานน่าเกิดจากการรักษาศีลห้างั้นอย่าทําบุญอย่างเดียวแล้วก็ยังประมาทยังไปทําบาปอยู่บาปนี้ต้องระวังอย่าทำํำถ้า พังเพ๋อาจจะทำไปบ้างก็พยายามทำบุญให้มากกว่าบาปเอาไว้บาปที่เราทำมันก็ยังจะได้ไม่มีโอกาสที่ได้สแสดงผลบาปจ ะ, สะแสดงผลได้ก็ต่อเมื่อบาปมีกำลังมากกว่า บ, บุญที่เราได้ทำไว้ดังนั้นเพื่อถ้าเราอยากที่จะมีเทวทรัพย์ติดตัวกับเราไปถ้าเราตายแล้วเราอยากจะไปสวรรค์กันเราก็ต้องหมั่นเจริญ ศีลคือรักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วก็มันทาบุญทําทานตามโอกาสตามกําลังมีมากมีน้อยเราก็ทําไปตามกําลังของเรา<ม>จํานวนเงินที่เราทํานี้เราไม่สามารถเปรียบเทียบกับจํานวนเงินของผู้อื่นได้เพราะเงินจํานวนเดียวกันนี้อาจจะได้บุญไม่เท่ากันก็ได้เพราะความรู้สึกมันไม่เท่ากันคนที่มีเงินน้อย กับคนที <tem> <fica> ่มีเงินมากถ้าทําบุญด้วยจํานวนเงินเท่ากันนี้คนที่มีเงินน้อยนี่กับมีบุญมากได้บุญมากกว่าเพราะได้ความสุขมากกว่าคนที่มีเงินมากแต่ทําทําบุญทําทานด้วยเงินที่เท่ากับคนที่มีเงินน้อยเช่นคนที่มีเงินแสนหนึ่งแล้วทําไปหมื่นอย่างนี้เขาก็ทําร้อยละสิบด้วยกันแต่ถ้าคนที่มีเงินล้านแล้วทําไปหมื่นหนึ่ง ก็ทำเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองความรู้สึกนี้จะต่างกันคนที่ทําร้อยละสิบนี้จะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจมากกว่าคนที่ทําบุญร้อยละหนึ่งดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวเงิน ท, ที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัววัดตัววัดของบุญก็คืออยู่ที่สัสดส่วนทรัพย์สินที่เราเบริจาคไปถ้าเราเบริจาค สัดส่วนของทรัพย์สินมากเช่นร้อยละสิบร้ยละยี่สิบรอละสามสิบบุญก็จะเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเรามีเงินน้อยแล้วเราจะทําบุญไม่ได้มากเรายังสามารถทําบุญได้มากอยู่เช้นถ้าเรามีหมื่นหนึ่งแล้วเราทําไปทั้งหมื่นเลยบริจาคไปเลยให้หมดนี้เราก็จะได้บุญเต็มร้อยเลยได้บุญร้อยละร้อย ก็จะได้บุญขั้นสูงสุดถ้าตายไปก็ได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดได้อันนี้คือเรื่องของการสร้างทรัพย์ภายในขั้นแรกคือสร้างเทวทรัพย์มีด้วยการกระทำสองอย่างด้วยกันด้วยการรักษาศีลไม่กระทำบาปห้าข้อแล้วก็ด้วยการทำบุญทาทาน แบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เป็นส่วนเกินส่วนที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีไม่ต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาไปบริจาคตามความพอใจศรัทธาในวัดในศาสนาก็ทำบุญกับวัดกับศาสนาได้ศรัทธาในโรงพยาบาลก็ทำกับโรงพยาบาลศรัทธาในโรงเรียนก็ไปทำบุญกับโรงเรียนศรัทธากับมูลนิธทิที่ทาสาธารณประโยชน์ต่าง ก็ไปทำบุญกับกับบุญนิติต่างๆได้หรือศรัท ธ, ธากับสัตว์เดรัจฉานมีความเมตตาสงสาร<ม>จะไปปล่อยนอกปล่อยปลาปล่อยไทายชีวิตวัวควายอันนี้ก็สามารถทำได้ได้บุญเหมือนกันได้ไปสวรรค์เหมือนกันอันนี้คือทรัพย์ภายในระดับแรกที่เราสามารถที่จะสะสมกันได้ เพื่อที่เวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วเรายังจะมีทรัพย์ภายในดูแลเราต่อไปดูแลจิตใจของพวกเราทุกคนเพราะจิตใจของพวกเราทุกคนนี้เป็นของยั่งยืนถาวรเป็นของที่ไม่ตายไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นของชั่วคราวร่างกายเมื่อถึงอายุไขของมันไม่เกินร้อยปีไหมมันก็จะตายแล้วทรัพย์ต่างๆที่หามาให้กับการดูแลร่างกายก็ ไม่สามารถที่จะเอาไปทำประโยชน์ต่อได้ไม่สามารถเอาไปกับใจได้ mm hmm. ถ้าเรารู้อย่างนี้ตอนนี้เรามีทรัพย์ทางกายมากกว่าที่เราจำเป็นที่จะต้องมีวไว้ไว้เราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในไปทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ทางใจ mm hmm. แล้วเราก็จะได้มีทรัพย์ดูแลเราต่อไปเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วอ mm hmm. นนี้คือทรัพย์ ระดับแรกเรียกว่าเทวซับซั์ที่สูงกว่าเทวทับซั์ที่มีความสุขมากกว่าเทวทั v ์ก็เรียกว่าพรหมซั์พรหมซั์ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับรูปประภมกับอรูปประภมระดับรูปประภมก็จะมีความสุขน้อยกว่าระดับอรูปประภมนะวิธีที่จะสร้างพรหมซั์ขึ้นมานี้สร้างได้อย่างไรก็ต้องสร้างด้วยการปฏิบัติเจริญจิตตภาวนา ที่เรียกว่าสัมมาทภาวนาคือการทำใจให้สงบทำใจให้เข้าสมาธิให้เข้าฌานให้ได้การที่จะปฏิบัติสมาธิจเจริญภาวนาได้จาเป็นที่จะต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนก็คือต้องมีศีลแปดขึ้นไปถึงจะได้มีเวลาและมีกำลังที่จะเอาไปใช้ในการจเจริญสตินั่งสมาธิ ทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้ารูปประชานหรืออารูปประชานดังนั้นผู้ที่อยากจะสะสมพรหมซาบนี้จึงจำเป็นที่จะต้องถือศีลที่เรียกว่าเนฆะหรือศีลแปดศีลแปดนี้แบ่งเป็นสองส่วนเป็นการสี่ข้อนี้เป็นการเรื่องละการกระทำบาปเหมือนกับศีลห้าแล้วอีกสี่ข้อนี้เป็นการละเว้นการหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อนการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌานได้จำเป็นที่จะต้องละการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายถีนแปดจงึงมีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาอันเขาเป็นศีลของศีลห้า ส่วนอีกศีลอีกสี่ข้อเป็นเป็นศีลของเนคขมมะคือการปฏิบัติละการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเช่นไม่ร่วมหลับนอนกันไม่ร่วมเพศกันแล้วก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆตามความอยากให้รับประทานหรือดื่มได้เฉพาะไม่เกินเชี่ยงวันไปแล้วให้ให้ดื่มและให้รับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกาย ให้อยู่เป็นปกติสุขแต่ไม่ให้หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วก็ถ้าหิวน้ำก็ให้ดื่มน้ำเปล่าไปถ้าหิวข้าวก็มาทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วความหิวก็จะหายไปจึงคนที่จะฝึกจิตคนที่จะทำจิตให้สงบจึงจะเป็นที่จะต้องมีการรักษาสิแปล ศินข้อหกก็ไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วสินข้อเจ็ดก็ไม่ให้หาความสุขจากมหัรส บ, บันเทิงต่างๆให้เอาเวลากับการหาความสุขไปให้กับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ใจเข้ารูปฌานหรืออรูปฌานแล้วสินข้อแดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนบนที่นอนที่ไม่สบายจนเกินไปคือไม่ให้นอนบน นอนที่มีฟูกหนาหนาให้นอนบนที่นอนที่เป็นพื้นแข็งแข็งปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อก็พอเวลาที่ร่างกายง่วงเนหน็ดเหนื่อยเมื่อแล้วง่วงนอนนีนอนในที่ไหนก็นอนหลับได้แต่จะต่างกันตอนที่พอยพักร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาหนาฟูกที่สบายก็จะไม่อยากจะลุกก็อยากจะนอนต่อจะติดกับความสุขจากการหลับนอน ซึ่งเป็นการมาสุขที่เราต้องการที่จะละถ้าเราอยากจะไปเจริญจิตตภาวนาเพื่อทำจิตให้สงบเพื่อหาความสุขจากการทำใจให้สงบแทน น, นี่ผู้ที่อยากจะได้พรหมรัพับจึงจะเป็นที่ต้องสือสินพรมอาจารย์นี่เที่เรียกว่าศิลแปดบางคนก็เรียกว่าบวชบวชพราม ญาติยโยมที่มาอยู่วัดกันนุ่งขาวห่มขาวกันนี้ก็จะถือศีลแปดจะละเว้นการเสพการจะไม่ให้ไม่ให้หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการสร้างความสงบให้กับใจเพื่อให้ได้รูปประชานหรือรูปประชานถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาให้กับการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง คอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าขณะที่นั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็ตามเบื้องต้นต้องมันจเจริญสติคอยควบคุมความคิดเพราะเป้าหมายของการเข้าฌานนี้ก็คือการหยุดความคิดการจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีสติคอ ย, ยคอยห้ามใจไม่ให้ไปคิดด้วยการผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบเช่นให้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือถ้าร่างกายมีการกระทามีการเคลื่อนไหวก็ให้เฝ้าดูการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นอ่งนี้แล้วพอเวลามานั่งสมาธิก็สามารถใช้คำาวรกรรมเป็นอารมณ์กล่อมใจก็ได้หรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้ามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปลอยไปกับความคิดให้อยู่กับอารมณ์ที่กลอมใจนี้ได้ ไม่นานใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบได้พอใจนิ่งใจสงบใจก็จะเข้าฌานได้เข้าฌานคนที่เข้าฌานได้แล้วจเจริญเจริญฌานบ่อยๆนั่งมากๆสะสมฌานไว้เรื่อยๆพอเวลาตายไปใจก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเสีความสุขที่ได้จากการการเข้าไปในฌานเข้าไปสู่ความสงบ สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของของสวรรค์ชั้นเทพนั่นเองอก็มีอยู่สองชั้นด้วยกันชั้นรูปประชานกับชั้นอรูปประชานรูปประชานก็จะสงบน้อยกว่าชั้นอรูปประชานแต่ก็เป็นสวรรค์ชั้นระดับระดับพรทั้งสองชั้นนี่คือการสะสมทรัพย์ชนิดที่สองก็คือพรมาทรัพย์ จเจริญได้สร้างทรัพย์เหล่านี้ได้ด้วยการบําเพ็ญจิตตาภาวนาควบคู่กับการรักษาศีล8ขึ้นไปรักษาศีล8ก็ได้รักษาศีลสิบก็ได้รักษาศีลสองิบเจ็ก็ได้ศีล น, นี้เป็นผู้สนับสนุนให้มีสติให้มีเวลาจเจริญสติให้มีเวลานั่งสมาธินั่นเองถ้าไม่ไมถือศีลแป น, นี้ก็ยังสามารถไปเสพกามได้อยู่ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปกินอาหาร กี่ครั้งก็ได้จะนอนกี่ชั่วโมงก็ได้ถ้าทากิจทางการแล้วก็จะไม่มีเวลามาทำกิจทางทางความสงบใจก็จะไม่มีความสามารถเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ใจก็จะไม่สามารถรับพรหมรัพเป็นรางวัลได้นี่คือรั์ขั้นที่สองที่เป็นรั์ภายในที่เป็นทรัททร์ของใจที่ใจสามารถสร้างขึ้นมาสะสมไว้ในใจได้รั์ขั้นที่สาม ก็คืออริยทรัพย์ทัพย์อันนี้เป็นทรัพย์ของผู้ที่บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นเห็นอริยาสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงเมื่อเห็นแล้วก็จะละความอยากต่างๆที่มีในใจที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจสร้างความหิวสร้างความไม่ไม่มีความสุขให้กับใจได้ อย่งมาจะมีโรมมาซับหรือรับที่ได้จากการเข้าฌานเวลาออกจากฌานมาพอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะร้อนขึ้นมาได้ใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาได้ถ้าต้องการให้ใจสงบเหมือนกับขณะที่เข้าฌานเวลาออกจากฌานมาพอเกิดความอยากต่างๆก็ให้ใช้ปัญญาปัญญานี้ก็จะสอนใจให้ปล่อยวางให้ละความอยากให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้มาให้ความสุขนั้น ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันดีคืนดีมันก็จะพลิกจากการให้ความสุขมาเป็นการให้ความทุกข์กับเราก็ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญแล้วมีเสื่อมไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะสามารถละงับความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากต่างๆได้ ออกกำจัดความอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบนิ่งเหมือนขณะที่เข้าฌานแต่ดีกว่าที่ดีกว่าฌานเพราะว่าไม่ต้องเข้าฌานก็มีความสงบมีความสุขได้และเป็นความสุขเป็นความสงบที่ยั่งยืนถ้าสามารถกำจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาได้หมดไปใจก็จะได้นิพพานเป็นทรัพย์ขั้นสูงสุดนิพพานนี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากความความอยากต่างๆ ใจที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือทรัพย์ขั้นที่สามเรียกว่าอริยทรัพย์ไปจบลงที่นิพพานทรัพย์ใครถ้าได้บรรลุถึงอริยทรัพย์ขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหันต์ก็จะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ส่วนพระอริยะขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ยังเข้าถึงนิพพานไม่ได้ต้องรอให้บรรลุอริยทรัพย์ขั้นที่4คือขั้นพาา ร, ระาารอร 1, 2, 3, ออหัรรรนต ม่อได้ถึงท่านพระอาหารหันต์แล้วก็จะสามารถเข้าสู่นิพพานได้เข้าสู่ความสุขที่สุดยอดที่พระพเจ้าเรียกว่าบาร ม, มสุขนิบานังปรมังสุขขังนี่แหละคือทรัพย์ที่พระเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงในขณะที่ท่านมียังมีชีวิตอยู่ท่านก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาให้กับการบำเพ็ญจิตตภาวนา ด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามขั้นตามตอนขั้นตอนก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก่อนมีเงินมีทองมีอะไรมีลูกมีเมียมีสามีท่านก็สละไปหมดไปอยู่คนเดียวไปอยู่เพื่อที่จะได้รักษาศีลเพื่อที่จะได้มีเวลานั่งสมาธิและมีเวลาเจริญปัญญา พอได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ครอบทวนบริบูรณ์ใจก็จะเข้าสู่ทรัพย์อันยิ่งใหญ่ทรัพย์ที่สูงสุดคือนิพพานทรัพย์ทรัพย์ ท, ที่จะให้ความสุขไปตลอดไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมทรัพย์อย่างอื่นเทวทรัพย์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้เช่นเราตายไปเรามีเทวทรัพย์เราก็าไปเกิดเป็นเทพยอยู่ภาคหนึ่งพอบุญหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับ พรห ม, มาทรัพย์เราได้ฌานขั้นต่างๆเวลาตายไปเราก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแต่พอฌานเสื่อมลงฌานหมดลงเราก็ต้องกลับมาเกิดมา่มาสร้างทรัพย์ภายในใหม่อีกก็ต้องอยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราได้ขั้นอริยะทรัพย์ได้ขั้นขั้นสูงสุดคือขั้นขั้นนิพพานนะทรัพย์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาเติมทรัพย์ภายในอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่เป็นนิพพานนี้เป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนถาวรเป็นทรัพย์ที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดนี่คือเรื่องราวของทรัพย์ต่างๆที่เอามาฝากท่านในวันนี้มีทรัพย์ทางกายกับทรัพย์ทางใจทรัพย์ทางกายเป็นทรัพย์ชั่วคราวมีไว้พอประมาณก็พอพอเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็พอถ้ามีมากกว่านั้นถ้ามีเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแปลงเป็นทรัพย์ภายใน เอาไปทำมูลทำทานรักษาศีนห้าก็จะได้เทวทรัพย์เอาไปปฏิบัติทำนั่งสมาธิรักษาศินแปก็จะได้พรหมทรัพย์เอาไปเจริญปัญญาให้เห็นให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจทําให้ใจนี้สงบนิ่งเยน็นสบายไปตลอด ทำให้ใจนี้มีความสุขที่สูงสุดนี่ก็คือเรื่องราวของทรัพย์สองชนิดที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้และในลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติทำกันมาสร้างทรัพย์พร ม, มทรัพย์กันโดยการมานั่งนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบใจจะนิ่งใจสงบได้จะต้องมีสติ การละเลิกรู้คอยดึงใจให้ละเลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบนี่เราเรียกว่ากรรมฐานต้องมีสติอยู่กับกรรมฐานเช่นอยู่กับพุทธานุสติถ้ามีพุทธานุสติก็หมายถึงว่าเราระเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยสติพุทธาก็พระพุทธเจ้าพุทธานุสติก็มีสติละเลิกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเราจะใช้บทสวดมนต์ในเบื้องต้นก่อนก็ได้นั่งเราใจยังคิดมากอยู่ก็ให้สวดมนต์ไปภายในใจสวดบทไหนที่เราจําได้ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าท ร, รมานุสติให้มีสติและเลิกรู้อยู่กพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรามีสติดีใจเราไม่คิดมากเราจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เรียกว่าอาณาปานสติ ให้มีสติและเลิกรู้อยู่การเข้าออกของลมหายใจอานาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการเลิกรู้อานาปานสติก็คือการเลิกรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจรู้อยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่จุดเดียวอย่าเคลื่อนไหวให้เฝ้าดูตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องบังคับลมลมใจสั้นหรือยาวก็ปล่อยให้มันสั้นยาวไปตามธรรมชาติของมันมันจะยาบมันจะเรียก็ปล่อยมัน ดูมันไปเฉยๆมันจะหายไปก็ดูมันเฉยๆไม่ต้องทําอะไรอยู่ที่จุดเดิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งนิ่งสงบเป็นฌานขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจสงบมีสมาธิแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะตอนนั้นจะเป็นเป็นใจที่มีความสุขมากเป็นใจที่ไม่หิวโหยกับอะไรไม่เอาหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆไม่คิดปรุงแต่งก็ปล่อยให้ใจอยู่ในสภาพนั้นไปให้นานๆจ น, นกว่าจะ ก็จะกว่จิตจะถอนออกมาจากสมาธิเวลานั่งถ้ามีอะไรมาม า, มาล่อใจก็อย่าไปสนใจมีเสียงมีภาพมีรูป ม, มีอะไรความรู้สึกอะไรต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมานะขณะที่นั่งก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆอยู่กับลมไปถ้าใช้ลมอยู่กับพุทโธถ้าใช้พุทโธไปอยากทิ้งกรรมฐานถ้าทิ้งกรรมฐานแล้วเดี๋ยวจิตก็จะไปคิดปรุงแต่ง แล้วจิตก็จะไม่สงบนั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่สงบได้ถ้าอยากให้ใจสงบจะให้ใจมีความสุขให้ใจได้ฌานได้สมาธิเราก็จาเป็นที่จะต้องมีสติและเลือกรู้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยจนกว่าจิตจะสงบและต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกั น, นประมาณ27เจนาทีด้วยกัน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 ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติมีกําลังน้อยควรเจริญสติให้มากขึ้นในระหว่างวันเหมือนพุโทโธพุโทโธเหมือนเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจดจ่ออยู่การกระทําของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยแล้วคราวหน้าเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตจินางเปตางังอุปกะปติยิทิตังปัทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสะเภปุเรนตุสักปาจันโทปนาระสโอยาถามลิโชติ ราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาสตุมัตเตปาวะตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุธาปะจายโนจตารโอธรมมวัฏานเตอายุวันสุขัง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 ถ้าอยากจะถามก็าถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook 240 YouTube พระสุชาติ l ล v e 160 YouTube ดร V70 วิทยุออนไลน์11บเ u ็ด์ามาุติร7 2รวม656หค่ะมีใครอยากจะถามอะไรนะยกมือขึ้นถ้ายัางไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนก็ได้ อ่าเดี๋ยวใจเข้ามาใจเข้ามาอ่ามันหยิบไมครกฟนไ้จะได้ยินทั่วถึงกันพูดใกล้ๆปากในตัวกลมกับ<ค> น, น้ัมศการพระอาจารย์เจ้าค่ะจะถามวิธีแนวทางปฏิบัติเจ้าค่ะคือยมจะใช้สติอา น, นาปนสตินะเจา้าค่ะปกติแต่ทีนี้ถ้าบางครั้งที่เราแบบว่า มันจิตรุ่นวายเราอยากอยากให้มีเมตตาค่ะเราจะใช้คําว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นโสดเสดถิดท่องไปเรื่อยๆอะค่ะทีนี้พอยอมท่องไปเรื่อยๆแล้วอ่ะก็จะเห็นจิตที่มันเบาสบายก็คือท่องไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าทําให้จิตสงบจิตไม่รุ่นวายจิตหายโกรธก็ใช้ได้แล้วจะต่อยอดยังไงต่อได้ไหมพอจิตเป็นปกติก็กลับมานั่งสมาธิดูลมหายใจต่อ ต้องทำจิตให้นิง่งให้สงบมให้รวมให้ได้ก่อนท <ำ S 2> ่าเ<ร>า้ียนของพระอาจารย์คือต้องนิง่งตัวไม่มีความคิดเข้ามาเอยใช่สักธรรมแล้วเหรือแต่อุเบกขาแล้วก็เกิดความสุขที่ เ, เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทําให้ถึงให้จุดนั้นให้ได้แล้วทําให้บ่อยๆทําให้ได้บ่อยๆก่อนแต่เวลาถ้าไม่ได้นั่งนี้เราก็ต้องมีสติดู ดูร่างกายหรือใช้คาบริกรรมบทสวดมนต์อะไรก็ได้คอยควบคุมใจไว้ไม่ให้คิดเ ล, เลื่อยปแล้วพอเวลามีเวลาว่างนั่งได้ก็นั่งดูลมไปถ้าเราดูลมได้เราก็ดูลมไปเราคนอาจจะใช้คำบริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือถ้าจิตมันวุ่นวายก็ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้คขอบพระคุณจ้ค่ะแล้วต่อจากนั้นถ้า อยากจะใช้ปัญญากาพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราก็จะได้ปล่อยวางโอเคคราทคำถามจากกาง YouTube ค่ะคุณชวนชมขอเรียนถามเจ้าค่ะหนูเคยป ไ, ปไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานเคยอ่านระเบียบการห้ามกินอาหารเกินเที่ยงแปดนาที หรือเที่ยงสิบแปดนาทีเจ้าค่ะพอดีตอนนี้ถือสี่แปดอยู่หนูลืมชะขาดรบ ก, กวนพระอาจารย์แนะนำก็โดยทั่วไปก็เที่ยงวันไม่ให้เกินเที่ยงวันไปงั้นก็เผื่อไว้บ้างเวลากินช้าเรากินสักสิบเอ็โมงจะได้ไม่มีปัญหาตามมาคำถามจากคุณเจดผนยูเวลาเกิดความกลัวเวลาร่างกายแปรปวนใจจะไม่สบาย ตนกและปรุงความคิดลบมาให้กังวลหวาดกลัวอีกวนไปมาเราควรทำอย่างไรดีคะดูมันเฉยเฉยให้มันดับไปเองหรือควรบริกรรมพุโทโธทีทีดีคะก็แล้วแต่วิธีไหนที่ทำให้ใจสงบได้ก็ใช้วิธีนั้นก็แล้วกันลองดูถ้าพุโทโธได้จิตสงบก็ใช้พุโทโธถ้าดูมันไปปล่อยให้มันสงบเองก็ปล่อยให้มันสงบไปคาถามจากคุณสติวินค่ะ วันหนึ่งรู้ว่าพ่อจะไปมีเมียน้อยรู้สึกเฉยๆค่ะใครอยากทำอะไรก็ทำไปไม่รู้สึกโกรธพ่อด้วยหนูคิดอย่างนี้ถูกหรือไม่คะถูกแล้วนะเราต้องรักษาใจเราไม่ให้วุ่นวายกับการกระทาของผู้การกระทาของผู้อืนไม่จะผิดหรือจะถูกก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องไปวุ่นวายด้วยคำถามจากคุณไตรรัฐค่ะผมเคยทำผิดศีลข้อสามแล้วต่อมาทาบุญตลอด ผมได้ขึ้นสวรรค์ไหมครับก็อยู่ที่บุญที่เราทำมากกว่าบาปที่เราทำหรือไม่ถ้าบาปมีมากกว่าไอถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็ดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็ดึงไปอาบายคำถามจากนายรังสีวงกับเรียนถามพระอาจารย์ครับแม่ให้ทองมาประมาณสองเดือนแล้วจะมาขอทองคืนถ้ายังไม่คืนเข้าขายผิดศีลลักทรัพย์ไหมครับ ไม่ผิดหรอกเพราะเขาให้เรามาแล้วคำถามจากทาง a ฟ e b o o k คุณทวินนี่ค่ะสืบเนื่องจากที่หลวงพ่อเทศในวันนี้ลูกอยากทราบว่าผลบุญที่ทำแล้วจะติดไปกับจิตถ้าบุญนั้นส่งผลแล้วบุญนั้นก็จะถูกหักออกจากบัญชีเราต้องเริ่มทำใหม่ส่วนอริยทรัพย์จะติดกับจิตไปและต่อยอดต่อไปเมื่อเกิดใหม่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ใช่หรือไม่เจ้าคะถูกต้อง ถ้าปนอริยทรัพย์แล้วมันจะไม่เสื่อมมันมีเจตตาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราเพิ่มการปฏิบัติให้มันสูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมไปตลอดคำถามจากคุณใดขณะนี้พ่อของลูกกําลังอยู่ในห้องผ่าตาดัดลูกเกิดความกังวลเพราะเป็นห่วงท่านลูกควรวางจิตอย่างไรคะเงัองว่าก็ต้องวางจิตว่าอะไรจะเกิดก็เกิดทุกอย่างเป็นอ น, นัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ มันดินฟ้าอากาศฝนจะตกแดดจะออกนี่เราห้ามมันไม่ได้ก็ให้รู้เฉยๆไปทำใจให้นิ่งให้สงบไปเพราะมันมีสิ่งที่มันอยู่เหนือวิสัยของเราที่เราจะไปทำอะไรได้ไปวิตกกังวลก็ทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเหตนถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องพยายามปล่อยวางยอมรับกับความเป็นจริงจะหายก็ดีจะตายก็ดีเมื่อมันจะเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้ ในที่สุดทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีไม่ว่าเขารม่ว่าเราให้คิดแบบนี้ด้วยแล้วเราจะทําให้ใจเราโปรงได้ง่ายขึ้นถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเขาเป็นคนเดียวที่าตายแล้วคนอื่นไม่ตายมันก็จะทําให้เรารู้สึกรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราต้องรองให้ให้ให้ถี่ท้วนทั้งเขาทั้งเราอในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนเห็นแต่ว่าใครไปก่อนใครไปหลังเท่านั้นเองแล้วก็ให้คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นคนรับใช้เราเราได้ร่างกายมาจากพ่อจากแม่แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องส่งร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาก็คือสู่ดินน้ำลมไฟไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับเขาพ่อเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาไม่มีใครตายดวงวิญญาณดวงจิตทุกดวงไม่มีวันตายแต่จะต้องแต่จะต้องเสียร่างกายไปทุกคนคําถามจากคุณรินบิวต์กลับเรียนถามครับ เพื่อสร้างให้มีอุเบกขาต่อเนื่องทำอย่างไรให้ปัญญาทำลายกิเลสได้ครับถ้าใช้ปัญญาก็ต้องเห็นเห็นตายแล้วเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเรามักจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสุขแต่ความเป็นจริงถ้าเรามองเรื่อนๆเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปหมดไปหรือเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปหายไปมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นเลย ันต้องบองความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกวเป็นสุขเพราะให้มันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้หัดแล้วเลยคำถามมีคำถามเพิ่มทางเข้ามาแล้วค่ะพระจ้ำอยากถามนอกเรื่องค่ะ สามารถมีกลุ่มคนที่จะพาคนคนหนึ่งไปนิพพานได้ไหมคะบอกทางได้แต่พาไปไม่ได้ต้องเดินไปเองแต่พระพุทธเจ้าก็พาเราไปไม่ได้เพียงแต่บอกทางว่าต้องไปทางนี้ต้องทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาแต่คนจะไปนี้ต้องทำเองอัตตาหฮอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งทาง ทางด้านนะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนผู้บอกทางให้เราเมื่อเรารู้จักทางแล้วเราก็ต้องเดินไปเองถ้าไม่เดินไปเองก็ไปไม่ถึงแต่เขาบอกว่ามีวิชาวิชาหนึ่งที่พาคนถอดจิตไปได้ค่ะก็เชื่อเขาก็ไปตามเขาเลยโอ้ไม่ไปฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไห้า ม, ไม่ไเจ้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกแม้แต่เราก็ยังพาพวกเธอไปนี่ผ่านไม่ได้ ก็มีพราหมณ์คนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์มีลูกศิษย์เยอะสอนให้ไปนิพพานกันทุกคนแต่ทําไมบางคนไปถึงบางคนไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่เขาค่ะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะอะพลังจิตของคนจํานวนมากสามารถที่จะมารุงกระทำคนคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้หรอกของใครของมันแล้วไม่ได้เอาไปเพื่อทําลายผู้เอาไปเพื่อป้องกันกิเลสทนั้นเองไปสู้กับกิเลส พลังจิตนี้มีไว้สู้กับความอยากความโลภต่างๆแต่ไม่ได้เอาไปทำร้ายพื้นเอาไปเบียดเบียนพื้นอันนี้ไม่ใช่เป็นพลังจิตอันนั้นเป็นพลังกิเลสกิเลสชอบเบียดเบียนพื้นชอบทาร้ายพื้นเลยใช้พลังของจิตที่ตนเองมีอยู่ไปไปทําร้ายเขาอั้นอย่ า, อ ย, าอย่าใช้ไปในทางที่ผิด เ, เพราะมันจะทําให้เกิดผลคือบาป แบบแล้วตายไปก็ต้องไปเกิดในอาบายต่อค่ะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าคนกลุ่มกลุ่มนั้นน่ะอยากให้เราไปที่ที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นนิพพานอะไรเงี้ยพยายามทําให้เราเชื่ออะไรเงี้ยก็อยู่ที่เราจะเชื่อไม่เชื่ออไม่เชื่ อ, <laughs> อไม่เชื่อก็จบให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ท่านเองอย่างที่เราทั่งบนพุทธังสรานังกัฉามิครเพราะว่าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ ถ้าใครมาสอนนอกเหนือจากคำสอนคุณเจ้าก็ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์มีใครอยากจะถามไหมเชิญถามได้นะเพราะเดี๋ยวเลิกเราจะมาถามต้องขออภัยไม่สะดวกตอนนี้สะดวกว่าทุกคนนั่งนิ่งเฉยๆไม่มีการเคลื่นอนไเชิญเข้ามาได้กราบเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะ เวลาที่เรานั่งสมาธิ เ, าเป็นแบบนั่งอะนะคะแล้วเวลาที่เหมือนกับความเจ็บมาทำให้เรารู้สึกเนี่ยเราจะเราควรจะรู้ไปอย่างเดียวหรือว่าเราควรจะใช้ปัญญาพิจารณาหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนไปเดินจงกรมแทนนะคะก็แล้วแต่ว่าเราทำอย่างไรได้ถ้าเรารู้เฉยๆได้โดยที่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บก็รู้เฉยๆไป แต่ถ้าเรารู้แล้วทนไม่ไหวมันอยากจะลุกขึ้นไปเดินถ้านั่งต่อไปไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นไปเดินถ้านั่งนั่งแล้วใช้ใช้การสวดมนต์สู้กับมันได้ก็สู้สู้กับมันไปด้วยการสวดมนต์ก็ อ, อย่าไปสนใจกับความเจ็บสวดมนต์ไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปจนกว่าจิตจะสงบหรือหายหายจากความกังวลกับเรื่องของความเจ็บคือใช้จิต อ, อ ให้เป็นจิตสงบแทนที่จะไปพิจารณาเรื่องเหมือนกับความเจ็บเป็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราก็าได้เหมือนกันนะนั้นก็เป็นปัญญาอีกทางนึงพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราความเจ็บก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของร่างกายเราเป็นเพียงผู้มารรับรู้ความเจ็บของร่างกายเราควรจะรู้เฉยๆไม่ต้องไปยินดีร้ายกับมันนี่อยู่ที่ว่าเราหาข้ามใจให้รู้เฉยๆได้หรือเปล่า ถ้ารู้ได้เฉยๆได้ก็เราก็ปล่อยมันเป็นไปเจ็บก็เจ็บไปร่างกายมันไม่เดือดร้อนแล้วเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทําไมขอบขอบพระคุณค่ะมันก็มีหลายวิธีด้วยกันแล้วแต่วิธีไหนที่เราทําได้ก็ใช้วิธีนั้นไปอ่มีคําถามไหมคําถามจากคุณปราดาค่ะ ใช้คนละครึ่งซื้อของทําบุญจะได้บุญครึ่งเดียวไหมคะที่เหลือครึ่งหนึ่งจะเป็นของรัฐบาลหรือเปล่าถูกต้องก็เหมือนเพื่อนเพื่อนเรามาร่วมทําบุญกับเราไงคนละห้าสิบเราก็ได้ห้าสิบาทเขาก็ได้ห้าสิบบาทเราไม่ได้ทำร้อยหนึ่งถ้ <c oughs> อาอยากได้ร้อยเราก็ต้องทําคนเดียวไม่ไปขอใครมาร่วมด้วยคําถามจากทาง u t u b e คุณพุท ธ, ธิค่ะบุพการีป่วยแล้วเราพยายามสอนให้เขาดูแลตัวเอง แต่เขาไม่ปฏิบตัติเวลาท่านป่วยจะกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราทั้งเวลาและเงินควรทำอย่างไรดีครับเราไม่ควรคิดอย่างนี้เป็นกวารเห็นแก่ตัวของเราเราต้องนึกถึงบุญคุณของท่านที่ท่านมีกับเราท่านให้กำเนิดเราท่านเลี้ยงดูเรามาตอนนี้มีหน้าที่ที่เราจะต้องใช้หนี้บุญคุณกับท่านให้เราคนกลับยินดีรับใช้ท่านดูแลท่านให้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าบอกให้ท่านปฏิบัติทําได้แล้วทําให้ใจใท่านสงบไม่ทุกข์ก็บอกไปได้อันนี้แต่เราไม่ได้ทําเพื่อเราเราไม่ได้ทําเพื่อประหยัดเงินของเราอันนี้เป็นลักษณะของของกิเลสความเห็นแก่ตัว mm hmm. เราต้องคิดถึงสวัสดิภาพของพ่อของแม่เราเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างไรที่ทําให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายล้วก็ทําไปแต่อย่าทำเพื่อเพื่อตัวเราเองให้เขาอยู่เป น, นานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไม่ต้องเลี้ยงเขานี้ คิดแบบนี้มันก็เป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวคําถามจากทาง facebook คุณรัตนาลันค่ะถ้าเราคิดจะทําทานอย่างเช่นให้วัดแต่ทีนี้ถ้าคนใกล้ตัวกังวลใจไม่อยากให้เราทําทานเพราะเสียดายเงินตรงนั้นเราจะให้ทานที่วัดเหมือนเดิมหรือให้คนใกล้ตัวดีครับเพื่อความสบายใจของคนใกล้ตัวครับเป็นเงินของใครนะ ถ้าเป็นเงินของเราเราจะให้ใครก็ได้แล้วแต่เราแต่ถ้าเป็นเงินของเขาด้วยเราก็ต้องได้รับการอนุ ญ, ญาตจากเขาด้วยให้เขายินดีด้วยคําถามจากคุณสิรินยาค่ะคนภาคใต้ที่เสียชีวิตน้ําท่วมเราสวดมวนต์แผ่เมตตาให้เขาได้ไหมเจ้าคะคือแผได้แต่ไปได้เรื่องไม่ได้เมันเรื่องการสวดมวนต์แผ่เมตตานี้มันไม่ใช่เรื่องการอุทิศบุญมันคนละเรื่องกัน อย่างคนตายไปแล้วสิ่งที่เราจะส่งไปให้เขาได้คือบุญเพราะเขาเหมือนกับว่าเขาไม่มีทรัพย์ภายในบุญนี่เป็นทรัพย์ภายในเขาอาจจะไปไม่ถึงสวรรค์พอเราส่งบุญไปเพิ่มพอบุญนี้มีมากกว่าบาปก็จะส่งให้เขาไปสวรรค์ได้อีกขั้นหนึ่งแต่การแผ่เมตตานี้หมายถึงการให้ความเมตตาต่อ ก, กันละกันอันนี้ต้องให้กับคนที่มีชีวิตอยู่เช็นเราพบป่าะใครเห็นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาไป เรา อ, อยากให้เขามีความสุขก็ซื้อของมาฝากเขาอันงนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาคนละเรื่องกันแผ่เมตตากับการอุทิศบุญนี่คนละเรื่องกันคำถามจากคุณสิริการค่ะในขณะที่เรายังต้องทำงานที่ต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาบางเวลาก็รู้สึกถึงความอยากบางเวลาเราก็รู้สึกว่าอะไรก็ไม่เที่ยงตั้งอยู่ดับไปละได้อารมณ์จะกลับไปกลับมาแบบนี้จะดาเนินชีวิตยังไงให้สงบคะ ก็พยายามให้มันคิดไปในทางทางธรรมะให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งอยากได้อะไรก็บอกมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่อยู่กับเราไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงคิดถ้าวาเป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตายิ่งคิดบ่อยยิ่งคิดมากใจก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นตามลงดังคำถามจากคุณเรามีกลัมเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกร้อนทำให้นั่งต่อไปไม่ไหวมีวิธีสู้กับมันได้ยังไงบ้างครับ ก็หลายวิธีด้วยกันวิธีของสติก็ค่อยบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปภายในใจถ้าวิธีของปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นดินเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้เราต้องฝึกใจให้อยู่กับมันให้ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเราห้ามมันไม่ได้แต่เราทําใจอยู่กับมันได้ั้นถ้าอาการร้อนอาการเจ็บว็เท่ากับเป็นเหมือนหน้าร้อนอเป็นเือดูร้อนขึ้นมาในร่างกายเราก็แล้วกัน และพยายามทําใจว่าตอนนี้ต้องอยู่กับมันให้ได้คําถามจากคุณเอ็กก้าค่ะเราจําเป็นต้องมีสมาธิถึงขั้นฌาญก่อนที่จะได้เป็นพระโวัสดบิบาลไหมครับก็ต้องมีเพราะว่าถ้าไม่ถึงขั้นฌาญมันจะไม่มีกําลังสู้กับกิเลส ท, ที่จะทําให้เราบรรู้เป็นพระสสดาบันได้คําถามจากคุณปณิธีค่ะทําอย่างไรให้ไม่ติดในลาบยศตําแหน่งในการงานอาชีพที่ทําอยู่ครับ